โอกาสนีบ้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและสยูข่าวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสนับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอารหัตผล สำหรับภาคนี้เป็นภาคของอารหัตตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดากับพระสีธาคามีเป็นผู้ทรงอธิศินเพื่อมีส ม, มาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อย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 คำว่าวีรัตแปลว่าเว้นเว้นจากความชั่วห้าประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศินห้าเว้นจากความชั่วแปดประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศินแปดดังนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศินแปดเป็นปกติเพราะว่าเป็นสินอมจย์เจนว่าพระอนาคามีหมดกามฉันทะหมด ความโกรธเพียบบาดและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สนดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นความขัดข้องไม่มีในพระนาธามีสำหรับพระอราหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอราหารนันต์ทรงครบศรี่ก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมัน ปัญญากรอบรู้จริงๆสาหรับการปฏิบัติเท่าที่พระอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวเพียงคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเข้มุ่งประสูศิธาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆเขม้มงอรหัสต่อขนกันเลย เราว่าการมั่วอัตผลนี่เขาถือว่าอย่างเร็วที่สุดจิตจะจับไว้จะเพาะประสงดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงประสงดาบนไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตคื้ร่างกายเป็น legit. มนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระาันโหน่ร่างกายเป็น legit. มนุษย์แต่ทว่าจิตใจเป็นสัตติรจชันมนุษย์สนิริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแลว้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีลห้าหรือว่าทรงกรรมบทติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบกติผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบกติเป็นทําให้เกิดให้ท่านบุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เร า, าพูดกันถึงอหัตตนก็ขอย้อนต้นไปถึงปลาย อันดับแรกการที่เข้ามาเจริญพระกรมรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่ละพระอรหันตุกองค์ที่ทรงความเปรหันและยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการ ได้เกณฑหนึ่งอ น, นาปานุสติกรมฐานการกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงับทุกขเวทนาและลรูปราการที่สองกายกัตานุสติลำรับสมถะนี่เจรณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสุขภรกโขโรก ไม่ทรงตัวเรื่องการที่สามขอแถมนิดพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามน่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสดิ์สันดา ส, สมตากับข้าอันนนท์ว่านันทาดูก่อัอนนนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระนนทโธนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอนันทะดูก่อนอนน์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออก ตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยังว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอารียเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอนนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายกาบตานุสติใหอร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งเปรการสามสิบสองควบการสุปกรรมฐานมีความสขปกเป็นปกติเรืการที่สามน็กถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านแหงหลายสงวารมทั้งสามแารการนี้สรงตัว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 ถ้ามุ่งจะเป็นพระสิธาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้ามุ่งจะเป็นพระนานคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นอย่างมากถ้าอะไรก็ลองคิดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์ใช้ปัญญาอย่ใช้แต่สมาทนั่งหลับหูหลับตากรรมันอย่างค่คืนอย่างรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ตาไม่ใช้ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัส ไม่ใช่กายสัมผัสไปนั่งเงียบอยู่ในเขาาำนาำป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตอนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกอา ร, รมณ์ที่เป็นอนิจธารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระโพธิควายเขาอ่อนขวิด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 จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเปรหันมีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายติฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแพงเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายติฐิพิจารณาร่างกายคือขันห้า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 ตากว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้อง<ม>อาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีเม่ตายก็จริงแหละแต่ทว่า สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจะกอกพ่อแม่ก็ทําองปรกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์กเรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื่อนความทุกข์เราก็ไปดึงาความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกมากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวัน ถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไร่ทุกเมื น, นั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายูมถ้าเกิดเป็นสนัตว์รกเป็นเ ป, ปรตเป็สุรกายเป็นสติฉันก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดารืปพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่ เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนําเอาสกายทิฏฐิกายะตานุสติกาสุภกบฐานมาควบค้าความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแแบกานสามสิบสองเต็มไปด้วยความสุกกระโหกโซมมเป็นสิ่งสุกรโหลก ถ้าเราละประถานาในการครองคู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์นี่ใครบ้างที่เป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่เขินไปนดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่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 หน้าก็ตกกระผมหงอกฟันหักตาขาวโหลล้างโก้ทำอะไรไม่ไหวไม่ไว้อยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราคนดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยคนดีถ้ามีอายุถึงป่านนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดี ตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านหลายปฏิบัติท่นนานได้ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเริอก้าวกึนเป็นปรสโสดาสีทาคานาคาอารหรัน ทุกระดับนี้ชาญโลกีถ้าทรงตัวลาบจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาบมากขึ้นเราศูนดาสิกิทาคาอนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภความโลกทรงชาญโลกีจิตระงับความโลภ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 ถ้าอาริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดกรงเกรงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่คุณมีที่ดอยมุคนลาก็ไล่ดอยถน น, นที่นั่นคนเคยไปหาเก่าแสนยาก ท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเจ็ดแปดวันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปด้วยความครับแคบ่ของใจแต่ได้ระยะตนระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตดีแล้วเพียงแค่สองปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั่นก็อย่าไปสร้างให้คนนี้ก็อย่าไปสร้างให้ แต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรื อ, ร อ, ร อ, รอมไม่นี่ผมไม่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยข้อเดียวคือตัดสกายทิฏฐินี่อนี้ท่านนั่นหลายเพจ่าเห็นว่าจิตเท่าบริสุทธิ์มากเพียงใดราบสซการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อราบสซการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคน ท่านเดียดติดลาบจากการละความจริงเปลา่าเพรใจถ้าไม่ติดตอนนี้เนเราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดการมร า, าะคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดจนจะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกในยครัแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตาย มีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายแล้วจิตใจจะมานั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทาทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าจิตขเข้าไปติดในทรัพย์เป็นได้เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทําประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้น ใจไม่เกาะต่อมาในของความโกรธเพราะมันั่งโลสกายญาติทิเราโกรธนั้นเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะประทุธร่างกายของเขาให้ร่างกายนี้เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ ไ, มได้เขาห้ามความแก่มไม่ได้เขาห้ามความป่วยมไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้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 เขาแกล้งเราเราไม่แกล่งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวถ้าอรมณ์จิตให้เป็นสุขขึ้นว่านั่งเขาเว้นท่าของกิเลสและดันหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาแตกความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายก็ว่าคนอื่นมองดูความสุขปรกของร่างกาย มองดูความเสื่อมไปของร่างกาย้ดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช่เราคือจิตถ้าแสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินถ้าได้ว่ามันก็สุดส้งลงปัจจุบันมันดีแล้วมันชั่วถ้ได้ว่าร่างกายนี้มันชั่ว เราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาเขาเราเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องสมเด็จพระบัณฑิตเขียวสงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนเขา อ, องสมเด็จพระสมมาส ม, ส ม, สมุทัเจ้า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 เราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เคาะกล่าวโดยย่อเราก็ส่งศีลสมาธิปัญญาให้ครบทุนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบทุนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฉันโลกี ต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอธิศีลและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอ น, นาคามีมีอะไรเสกิธาคามีผมไม่พูดอ น, นาคามีคือตัด ก, กามไปชันทะโดยใช้กายกตตาสติอสุภะวะกามกรรมฐานแล้วช้กายทิฏฐิควบ ก, กัน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 เป็นนั้นว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าถ้าเราตัดการไม่ชันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมาไรและรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมร่เมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมนันด้นโทสะความโกรธถ้าอนาคาคาตับได้ด้วยอาศัยพรหมีหาสีกับเซกายาทิฐิควบกัน ตามเ ท, ทีบัญญัตมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษเครื่องความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตานิการมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วกวานเป็นอรหันต์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบสายใช้ปัญญา ว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดสําหรับก้าเขาไปสู่พรนิพานเราจะไม่หยุดอยูแค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกันตรงไหนถือนี่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ท่งตัวไม่ถืออะไรกัน คนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะเป็นถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อใดเมื่อนั้นชีวิตจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ใดฉานสัตว์ขี้เรียนไปที่หน้ารังเกียเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จำให้ดีทันี้นะทำใจให้มันลงตัวและอุตจ า, ารณ์โฟซันนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพานตรงหรือเปล่า โลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพย า, ายามความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่จะตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทางหลายเรานี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะผลิพันเป็นอารมณ์ อย่างนี้ที่ว่าตัดโุทจัจกะคืออารมณ์ฟุง้งร้านได้แล้วก็อวิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระนาคา ม, มีอย่างดีเกิดเป็นเทวดาและพรมกมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพิพนานเป็นอารมณ์ พอจิตเขาถึงอรหัตตผลจิตใจของเราจะมีความอากัรความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามชฉันทถ้ามาคนเหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาคนเหลวโทษาความโกรธมายุ่ยยาวคนเหลว โมหะเขามายั่วเพียงใดก็แล้วใจเราไม่ติดอารมณ์มันสบายคล้ายๆกับว่ามือไม่เกาอะไรทั้งหมดจิตมันปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์เห็นทั้งหลายก็เห็นเหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทําให้โกรธเราก็ไี่ก็เราเห็นคนบ้า เห็นร่างกายกายยาสัพสินเ์นั่นหลเห็นมวมรรคผลเห็นเหมือนไรค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่เท่านี้ระบรรดาท่านอย่างหลายเพื่อในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอาาราาัตกผลผมพูดมานะ่ะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติก็ปฏิบัติจำแบบนี้เขารัดลั ด, ลดประเดี๋ยวมันก็เที ท่านท่านอนไล่มองดูเวลาถ้าความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเส็จแล้วก็ข อ, ขอวิญติไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับด้านอนุสติห้าเบรการที่เริ่มต้นโดยประสงค์ดมมันก็ข อ, ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ข อ, ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านอนไล่ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดงํารงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในในสีาบทที่ท่านเนินการจงกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวด